สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟู้ดเดลวีนะครับกลับมาพบกับผมครับนัทพลดีอุดครับทุกคืนวันอังคารแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้ามิกเฮิรต์นะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอรกุลกนิษฐ์ทองเงาเป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการนะครับกลับมาพบกับผมนะครับกับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอาหารผู้ชนะการนะฮะต่างๆที่เราจะนำมาบอกต่อคุณผู้ฟังนะครับบอกเล่าในรายการแห่งนี้นะครับคุณผู้ฟัง วันนี้นะครับในตอนต้นของรายการในช่วงแรกนะครับเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของการกินอาหารแบบเคโตจีนิกนะครับที่จะช่วยลดน้ำหนักไว้นะครับแต่ว่าคุณฟังรู้ไหมครับว่าการกินอาหารแบบนี้มีผลข้างเคียง เพียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีวิธีการกินที่ปลอดภัยมาบอกคุณฟังด้วยนะครับมาเริ่มต้นในช่วงแรกนี้นะครับกับการกินแบบเคโตจีนิกครับคุณฟังโดยนักกำหนดอาหารนะครับชี้ว่าการกินอาหารแบบเคโตจีนิกจะช่วยลดน้ำหนักเร็วในช่วงแรกและไวกว่าวิธีอื่นนะครับแต่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำอ่อนเพรียวเบื่ออาหารนะฮะ นอนไม่หลับเสียงตับอ่อนอักเสบเฉียบพันธุ์นะครับนิวทีไต่เหตุเกิดเพราะว่าการขับแคลเซียมระยะยาวทำมวลกระดูกรถนะครับซึ่งมีวิธีกินอย่างปลอดภัยด้วยนะครับที่จะนำมาบอกคุณฟังในวันนี้นะครับโดยนายสมิธ โชตศีรุชานะครับนักจิตวิทยาหน่วยผู้ชนะศาสตร์คลินิกกองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเก่านะครับว่าการลดน้ำหนักด้วยวิธีการบริโภคอาหารแบบคีโตจีนิกไดเอทในการประชุมวิชาการผู้ชนะการแห่งชาติครั้งที่สิบสามเมื่อเร็วๆนี้พบว่าการบริโภคอาหารแบบคีโตจีนิกนะครับเป็นการกำ จ, จำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดทและน้ำตาลด้วยเพิ่มด้วยเพิ่มสัดส่วนของไขมันในอาหารเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ย เข้าสู่ภาวะคีตโตซีส์นะครับซึ่งจะส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกนะครับและเร็วกว่าวิธีการควบคุมอาหารประเภทอื่นนะครับโดวยประชาชนส่วนใหญ่จึงสนใจนำมาใช้ลดน้ำหนักตัวแต่ก็มีอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยนั่นก็คืออาการขาดน้ำอ่อนเพลียปวดหัวเปลี่ยนสีสระคลื่นไส้เบื่ออาหารนะครับอารมณ์ฉุนเฉียวนอนไม่หลับท้องผูกนะครับซึ่งหากได้รับใยอาหารจากผักผลไม้ไม่เพียงพอก็อาจจะท้องเสียไขยมันในเลือดผิด ผิดปกตินะครับและอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับยัางเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ้วที่ไตนอกจากภาวะเป็นกรดในเลือดที่เพิ่มขึ้นจาก keto body นะครับที่ทำให้เพิ่มการขับแคลเซียมและแมกนีเซียมออกทางปัสสาวะนะครับซึ่งการสูญเสียแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นนะฮะอาจส่งผลในระยะยาวมีมวลกระดูกลดลงนะครับโดยมีรายงานถึง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแบบเต้นผิวและเพิ่มความเสี่ยงในการขาดสารอาหารอย่างเช่นโพเทศเสเซียมแมกนีเซียมวิตามินซีวิตามินบีหน 1, ึ่งสังกะสีทองแดงนะครับด้วยในสมิธกล่าวอีกนะครับว่าการบริโภคอาหารแบบคีโตจีนิกให้เหมาะสมและปลอดภัยควรคำนึงถึงกฎ ไขมันในการเลือกบริโภคนะครับเพราะมีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและกระบวนการการอักเสบในร่างกายนะครับอีกทั้งอาหารคีโตจีนิกยังทำให้มีอาการข้างเคียงจากการสูญเสียวิตามินนะครับเกลือแร่ที่เพิ่มขึ้นและยังไม่มีรายงานถึงความปลอดภัยในระยะยาวอีกด้วยนะครับ ทั้งนี้นะครับการบริโภคแบบคีโตจีนิกอาจจะไม่สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคอาหารของคนไทยที่บริโภคข้าวแป้งเป็นหลักนะครับอาจทำให้ไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องและลด้มเหลวในการปฏิบัติตามได้สูงนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะใดเราจึงจะเป็นวิธีการเหมาะสมและยั่งยืนมากกว่าการรักษาสุขภาพและน้ำหนักนะครับด้วยนายสมิตรกล่าวอีกนะครับว่าจะปฏิบัติตามแนวการบริโภคอาหารคีโตจีนิกควรเริ่มจากค่อ ย, ค, อยค่อยกำจัดปริมาณคาร์โบไฮเดทใน อาหารอย่างเช่นลดปริมาณน้ำตาลจากเครื่องดื่มน้ำน้ำหวานน้ำอัดลมน้ำผลไม้นะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังของหวานต่างๆแล้วจึงค่อยลดปริมาณข้าวแป้งนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเส้นธัญพืชที่มีแป้งต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์จากนมผลไม้นะครับโดวยเพิ่มสัดส่วนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่ อาหารทะเลหรือเลือกแหล่งอาหารที่มีทั้งไขมันและโปรตีนอย่างเช่นถั่วเปลือกแข็งต่างๆนะครับหลีเกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันและเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยอกุนเชียงลูกชิ้นนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยแต่ก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเราควรเพิ่มอาหารกลุ่มผักนะครับโดยเน้นที่ผักใบนะฮะเพื่อให้ได้รับวิตามินเกลือแร่และใ ย, ยอาหารและใช้น้ำมัน ปรุงหรือประกอบอาหารตามความเหมาะสมนะฮะและการกินอาหารแบบคีโตโจีนิกนี้นะฮะไม่ได้กำหนดในเรื่องของการใช้เครื่องปรุงรสเว้นแต่ว่าต้องระวังเครื่องปรุงที่มีน้ำตาลและสารผสมที่อาจจะมีแป้งเป็นองค์ประกอบนะครับจึงอาจจะพิจารณาสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในการปรุงรสอาหารเพื่อให้รสชาติหวานเนี่ยได้ในส่วนของการประกอบอาหารคีโตโจีนิกนะครับก็สามารถปรุงด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรต่างๆได้รวมถึงปรุง ด้วยรสเปรี้ยวและรสเค็มรวมถึงรสเผ็ดด้วยนะครับฟังครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในตอนต้นของรายการกับเรื่องเล่าก่อนเข้ากรวนนะครับกับวิธีการรับประทานอาหารแบบเคโตจีนิกนะครับรับประทานอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับวันนี้ผมก็มีคำกล่าวจากนายสมิธโชวติศรีรือชานะครับนักจิตวิทยาหน่วยผู้ชนะศาสตร์คลินิก กองอายุร ก, กรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้ามาบอกคุณผู้ฟังในช่วงต้นของรายการแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักคู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ามาติดตาม ก, ตกันต่อกับเรื่องราวของเมนูนักขีปครับวันนี้เมนูนักขีปผมมีเรื่องงะเรื่องราวนะฮะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชและองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรือวอ่าอสคในการจับมือร่วมกันวิจัยโคโนมแบบครบวงจร น, นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับ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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเ อ, งเอกสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีแหลงก่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้โรวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่าหนึ่งร้อยสายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายาก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 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th ศูนย์มัตรกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโรยราชมงคลทัญญาบุรีเปิดส่วนใหม่พร้อมให้ปริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 กลับมากับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังกับช่วงเมนูนักคิดนะครับเมนูนักคิดวันนี้ครับอย่างที่ได้เกิดไปในช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้มีเรื่องราวจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชนะครับที่ได้ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอในการจับมือวิจัยโคโนมแบบพบวงจรนะครับโดย ong, ดรนรงศรีเลิศวรกุลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชกล่าวนะครับว่า ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาธุรกิจาการโค น, นมไทยระหว่างสวทชโดยศูนย์นาโ น, โนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือว่านาโนเทค และองค์การส่งเสริมกิจการโคลนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสอคอนับว่าเป็นการตอบยุทธศาสตร์ชาติปี2561ถึงปี2580นะครับทางด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมเกษตรชีวภาพเกษตรอัจฉริยะเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมชีวภาพและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ พัฒนาความมั่นคงทางด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนสอดคล้องกับ BCG Model นะครับที่มุ่งจะนำประเทศไปสู่การเป็นผู้นำการผลิตอาหารคุณภาพและลดความเดือดร้อนของสังคมและสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับทุกภูมิภาคของประเทศนะครับโดยดรณรงค์ฤทธิ์วงศ์สุวรรณนะครับผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสคกล่าวนะครับว่าได้ดำเนิน แนวทางแก่เกศตกรณ์ผู้เลี้ยงโครนมโดยการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโครนมเพื่อให้ได้น้ำนมที่ดีมีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานนะครับพร้อมแข่งขันกับ กับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียนตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโคโนมนะฮะโดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาอุตสาหกรรมโคโนมทั้งระบบนะครับเพื่อพัฒนาในการเลี้ยงโคโนมระบบฟาร์มการคัดเลือกสายพันธุ์การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบนะครับตลอดทั้งอุตสาหกรรมโคโนมทั้งระบบด้วยปัจจุบันนะครับอสคอเองได้นำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการฟาร์มโคโนมประสิทธิภาพสูงของอสคอนะครับ เพื่อจัดตั้งฟาร์มโคโนมสาธิตเชิงธุรกิจประสิทธิทภาพสูงหรือว่าสมาร์ทฟาร์มมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการฟาร์มโคโนมของเกษตรกรประกอบกับปัจจุบันนโยบายการตลาดในการทำการค้าเสรีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโคโนมของประเทศนะครับทำให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศโดยเฉพาะนมผง คลองมันเนยจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับมีปริมาณการนำเข้าที่สูงที่สุดนะครับอสคอเองก็ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลบริหารจัดการพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆ ใ, ให้แก่ผู้บริโภคอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับด้านดรวันนีฉิมสิริกูลผู้อำนวยการศูนย์นาโ น, โนเทคโนโลยีของสวทชกล่าวเพิ่มนะครับว่ า, านาโนเทคเองนะครับมีกีดความสามารถในการ ทำงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะตอบสนองต่อความต้องการอย่างครบวงจรโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการกักเก็บในระดับนาโนหรือนาโนอินแคปซูล น, นะครับที่จะเป็นเทคโนโลยีหลักในความร่วมมือในครั้งนี้นะครับซึ่งนาโนเทคโดยสวทชเองก็เตรียมงานวิจัยที่จะตอบโจทย์ในการสร้างรวัตรกรรมกลุ่มคิกวินสำหรับความร่วมมือในระยะที่หนึ่งในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทั้งกลุ่มนมอัดเม็ดพรีเมียมนมผงและผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อผู้สูงอายุนะครับด้วยอาจจะประยุกใช้เทคโนโลยีนานโนในการกักเก็บในระดับนานโนที่นาโนเทคมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตอบสนอง ト ン, トンカンコン ของกลุ่มขี้ควินได้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการพัฒนาอาหารไฮโดรเจลกักเก็บโปรตีนแบบย่อยง่ายและอาหารเสร waist, ิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมในลำไส้สำหรับสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาหารโคนมในอนาคตชุดตรวจวิเคราะห์เชื้อปอนเปื้อนในกระบวนการผลิตด้วยอนุภาคนาโนเพื่อใช้เป็นสารตรวจวัดและควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานและเทคโนโลยีการกักเก็บระดับนาโนสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบอัดเม็ดที่สามารถเพิ่ม คุณค่าทางพุทธนาการอื่นๆได้ตามความต้องการที่จะเป็นเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนานมอัดเม็ดแบบพรีเมียมต่อไปครับรูค้ฝั่งครับนี่คือเรื่องราวของเมนูนักคิดในวันนี้นะครับกับการพัฒนาโคนมแบบคร บ, บวงจรขององค์การ ส่งเสริมกิจาการโครโนมแห่งประเทศไทยหรือว่าองสคอที่จับมือร่วมกับสำนัก ง, งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ ส, สวทชนะครับโดวยนาโนเทคนะครับหรือศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติที่จะมาร่วมวิจัยต่างๆเกี่ยวกับโครโนมของประเทศไทยให้ ไ, ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคุยข้างครัวครับวันนี้คุยข้างครัวมีเรื่องราวของสายสุขภาพนะครับวันนี้มีตัวช่วยต่างๆที่จะมาทำให้คุณฟังเนี่ยสุขภาพดีได้นะครับซึ่งเป็นตัวช่วยอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงของคุยข้างครัวครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทาง fm แปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี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 คุณฟังครับคุยข้างครัววันนี้นะครับมีตัวช่วยของสายสุขภาพดีเพื่อรูปร่างที่ดีนะครับคุณฟังครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าคุณฟังท่านไหนนะฮะก็ต้องมีมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งเอาไว้ติดตัวนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สะดวกสบายและทำอะไรได้ง่ายมากมายนะครับรวมทั้งคำแนะนำเรื่องของความสวยความงามและการมีสุขภาพที่ดีพร้อมด้วยรูปร่างที่ฟิตและเสริมด้วยนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันต่างๆในมือถือของเรามีมากมายให้พวกเราเนี่ยได้โหลด เข้าไปอ่านและทำตามกันนะครับด้วยงานนี้นะครับมีคนรวบรวมมาให้แล้วนะครับเกี่ยวกับแอปต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรวมถึงการรับประทานอาหารนะครับแอปแรกนะครับที่จะมาแนะ น, นำคุณผู้ฟังเป็นฟู้ดไวเซอร์แคลอรี่เคาน์เตอร์นะครับโดย คุณผู้ฟังหลายท่านต้องชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าเพียงแค่ถ่ายภาพอาหารก็รู้ปริมาณแคลอรี่ของอาหารที่เราเนี่ยบริโภคเข้าไปแล้วนะครับโดยมีการวิเคราะห์ภาพถ่ายของอาหารที่เรากำลังจะทานประมวลผลและคำนวณออกมาเป็นรายการอาหารและปริมาณ ค่าของสารอาหารต่างๆในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีได้แก่แคลอรี่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไฟเบอร์หรือว่าคอเลสเตอรอลนะครับและยังสามารถตั้งค่ากำหนดเป้าหมายว่าเราจะลดน้ำหนักหรือว่าเพิ่มน้ำหนักได้ พร้อมทั้งสามารถแชทนะครับพูดคุยกับนักผู้จัดการอาหารมากมายได้ในภายในแอปเดียวอีกด้วยนะครับของแบบนี้อยู่ที่คุณผู้ฟังแล้วนะครับว่าเห็นตัวเลขทั้งหลายโชว์ออกมาแล้วยังจะกัดฟันกินหรือว่าเชิดใส่นะครับแอปที่สองครับ เป็นยาซีโอไดเอทแอนด์ฟู้ดแท็กเกอร์นะครับอันนี้ใกล้เคียงกับแอ ป, ปแรกนั่นก็คือมันจะทำหน้าที่ในการช่วยวางแผนควบคุมการดื่มน้ำบันทึกน้ำหนักการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันการรับประทานอาหารที่แนะสูตรอาหารเพื่อสุขภาพกว่าหนึ่งร้อยรายการเซตเป้าหมายหรือวางแผนกิจกรรมกีฬาของเราในวันถัดไปได้นะครับแอ ป, ปที่สามเป็นไมล์ไดเอทโค้ดเวท รว่ากันว่าแอปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักของเราด้วยการติดตามความเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของคนเราทุกๆวันนะครับในแต่ละการเปลี่ยนแปลงจะมีเป้าหมายให้เราเนี่ยพิชิตคำท้าทายรายวันให ต้องทำไม่ว่าจะเกี่ยวกับอาหารหรือการออกกำลังกายนะครับเสมือนกับว่าเราได้เล่นเกมผ่านด่านต่างๆไปเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยได้สนุกไป ก, กับการลดน้ำหนักแบบไม่มีเบื่อกันเลยทีเดียวนะครับและอีกหนึ่งแอปครับเป็นแคลอรี่ไดอารี่นะครับอันนี้อาจไม่ต้องอาศัยแอปนะครับหากใครขยันจดเพราะมันเป็นแอปเพื่อสุขภาพและการไดเอทอีกหนึ่งแอปนะฮะที่จะช่วยคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคต่อวันตามเป้าหมายน้ำหนักที่ต้องการนะครับนับการเดินและการเผาผลาญจากการเดินบันทึกปริมาณแคล ที่บริโภคในแต่ละวันไดจากการรายงานอาหารมากมายนะฮะมาพร้อมกับตัวการ์ตูนน่ารักใช้งานง่ายนะครับแล้วแอปนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปเฮลคิดนะครับรวมทั้งมีรายการอาหารการออกกำลังกายมากกว่าเจ็ดพันรายการ ให้การไดเอทไม่เป็นเพียงแค่การออกกำลังกายหรือการอดอาหารไปวันๆอีกต่อไปนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งแอปครับคุณผู้ฟังเป็น Body Key แอปนะครับหากใครจะโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาหน่อยก็ต้องแอปนี้เลยครับแอปจัดการน้ำหนักส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราโดยโปรแกรมนี้จะอยู่กับการรวมอ่ารวมกันขององค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพทางด้านสรีระและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดน้ำหนักได้อย่างแท้จริงและยังสามารถแข่งขันกับเพื่อนของเรา ะะว่าแต่ละวันเนี่ยสามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือทำไม่ได้มากกว่าเพื่อนๆของเราหรือไม่นะครับมาต่อกันอีกหนึ่งแอปครับคุณผู้ฟังเป็นเบอร์นพกเกตนะครับซึ่งแอปนี้เป็นแอปตรวจจับการเบอร์จากการเดินการวิ่งแค่พกสมาร์ทโฟนติดตัวไว้ก็สามารถเลือกประเภทการตรวจจับได้สามรูปแบบนั่นก็คือตรวจจับการกินโดยมีฐานข้อมูลปริมาณแคลอรี่ของอาหารมากกว่าหนึ่งพันรายการให้เลือกนะฮะอย่างที่สองคือตรวจจับ ตามปริมาณแคลอรี่โดยสามารถกำหนดปริมาณแคลอรี่ได้ตามต้องการและอย่างที่สามตรวจจับตามช่วงเวลานะครับโดยสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการการตรวจจับได้ตามต้องการนะครับเตะกันอีกหนึ่งแอปครับเป็นแอปฟิตเนสเวิร์กอัพบายเกตฟิตนะครับเป็นแอปออกกำลังกายกันบ้างนะครับแอ ป, ปนี้เป็นแอปออกกำลังกายอย่างง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาและใช้เพียง ใช้เวลาเพียงน้อยนิดในแต่ละวันโดยเปลี่ยนบ้านหรือออฟฟิศให้เป็นโรงยิมนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้แล้วใช้เพียงอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้โซฟาบันไดแม้กระทั่งผนังบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกกำลังกายได้และไม่ต้องเสียเงินหรือเสียเวลาไปฟิตเนสให้ยุ่งยากอีกต่อไปนะครับปิดท้ายกันกับแอปสุดท้ายที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับเป็นแอป Sleeppep นะครับหรือ The Sleep App เป็นแอ ป, ปที่ช่วยเช็คเวลานอนของคนเราในคืนนี้ว่านอนได้ครบตามมาตรฐานหรือไม่หากนอนไม่หลับหรือมีอาการกังวลเครียดแอ ป, ปนี้ก็มีฟีเจอร์เทคนิคทางการนอนหลับนะครับเสียงที่ผ่อนคลายหรือฟังเสียงสายฝน ปลาเขาน้ำตกนกต่างๆเพื่อช่วยผ่อนคลายให้เราหลับสบายมากกว่าเดิมโดยสามารถใช้งานร่วมกับเทปเปิลวอร์ดได้อีกด้วยนะครับขอบคุณที่มาของเรื่องราวนี้ด้วยกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับคุณฝางครับต้องบอกว่าในยุคสมาร์ทโฟนหรือยุค 4.0 แบบนี้นะครับเราก็มีตัวช่วยต่างๆมากมายที่จะมาช่วยเราเนี่ยให้มีพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการออกกำลังกายง่ายขึ้นนะครับตัวช่วยเหล่านี้นะฮะ แอปเหล่านี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังก็ลองไปหาโหลดกันดูได้นะครับอาจจะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพและรูปร่างที่ดีกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับวันนี้มาปิดท้ายในช่วงหน้ากับช่วงเปิดหม้อนะฮะกับเมนูง่ายๆนะฮะจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับ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 กลับมากับช่วงสุดท้ายเปิดม่อครับวันนี้เปิดม่อนำวิธีธรรมนะฮะ นำเมนูไข่ตุ๋นนะครับวิธีทำไข่ตุ๋นแบบเรียบง่ายหน้าเนื้อเนียนมาฝากคุณผู้ฟังนะครับด้วยไข่ตุ๋นนะครับมีวิธีทำที่ไม่ยากนะครับเริ่มต้นกันด้วยส่วนผสมนั่นก็คือไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำซุปหนึ่งถ้วยตวงหรือสามเท่าของไข่นะครับซีอิ๊วขาวสองช้อนชาซุปก้อนสำเร็จรูปครึ่งก้อนนะครับเห็ดหอมกุ้งสดปูอัดหรือเครื่องเคียงต่างๆตามความชอบของเราได้เลยนะครับวิธีทำง่ายๆอย่างแรกนั่นก็คือเตรียมน้ำซุปนะครับใช้ซุปก้อนผสมกัน กับน้ำร้อนแล้วพักไว้ให้เย็นนะครับตอกไข่ใส่ชามใช้วิธีคนให้เข้ากันเบาๆด้วยตะเกียบไม่ต้องตีแรงนะฮะเดี๋ยวจะทำให้ไข่ตุ๋นไม่เนียนได้นะครับแล้วก็เติมน้ำซุปที่เราเตรียมไว้ลงไปพร้อมกับ ก, บการปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการที่ทำให้ไข่เนียนโดยใช้กระ ช, ชอนตาทีกรองใส่ถ้วยที่จะนำไปนึ่งนะครับต้มน้ำให้เดือดนำไปวางบนตระแกรงนึ่ง เมื่อไข่เริ่มสุกก็ใส่เครื่องเคียงวางไว้ด้านบนนะครับล่อไข่สุกราวประมาณสิบถึงสิบห้านาทีซึ่งวิธีการเช็คว่าไข่สุกหรือไม่ก็ให้เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มดูว่าสุกหรือไม่นะครับเมื่อไข่สุกดีแล้วก็ให้นำขึ้นจากเตาและโรยด้วยต้นหอมตามความชอบเลยนะครับแค่นี้ก็จะได้ไข่ตุ๋นเนื้อเนียนง่ายง่ายมารับประทานแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับครบทั้งสี่ช่วงของรายการแล้วนะครับกับรายการฟู้ดเดลี่วันนี้นะครับเนื้อหาต่างที่นำมาบอกคุณผู้ฟัง นำมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ลองเอาไปทำลองเอาปฏิบัติดูนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยจะได้ดียิ่งขึ้นนะครับแค่การกินอาหารง่ายๆอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคนเราให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ